ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญต่อการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เป็นผลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ สามารถทำให้เกิดขึ้นได้คือการดับทุก์ต่างๆที่มีอยู่ในใจสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ใจให้หมดไปได้เพียงแต่ ทำให้ดับเป็นครั้งเป็นคราวดับชั่วคราวดับแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นกลับคืนมาใหม่มีคำสอนและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจกำจัดได้อย่างท้าวอน เมื่อกำจัดแล้วก็จะไม่กลับมารบกวนใจอีกต่อไปการให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาการดับของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจต่างๆ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมามชาวพุทธเราชาวพุทธเราโดยเฉพาะชาวไทยมีประเพณีธรรมเนียมของการบวชร่ำเรียนมาอันยาวนานถือเป็นประเพณีถ้าเป็นผู้ชายอายุครบยี่สิบก็จะบวชกัน หนึ่งพรรษาพอดีเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีที่เข้าพรรษานี้เป็นเป็นประเพณีธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบังคับให้พระอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหน ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการบังคับให้พระอยู่จำพรรษาจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนของพระภิกษุสมามเณราะจะต้องไปหาที่ปีกวิเวกไปหาที่สงบสงดัดบางทีก็จะต้องไปหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรม ไปถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมจึงมีการเดินทางไปมากันไปมาหาสู่กันไปหรือเดินทางเพื่อไปหาที่สงบไปปีกวิเวกไปทุดงไปอยู่คนเดียวเพราะการปฏิบัติจริงๆนี้ต้องอยู่คนเดียวถึงจะได้ผลดี แต่ก่อนจะไปปฏิบัติอยู่คนเดียวได้ก็ต้องศึกษาเริ่มเรียนอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ก่อนต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรพอรู้แล้วก็ก็ไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพราะการปฏิบัตินี้ อยาเกิดผลกล็เมื่ออยู่ในที่สงบสงดัดวิเวกอยู่ตามลำพังไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆการปฏิบัตินี้ต้องการดึงใจให้เข้าข้างในปกติใจของเราจะออกมาทางตาหูจมูกลน้นคายกัน แล้วก็วุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้สัมผัสรับรู้กันเกิดกิเลสตัณหาเกิดความโลภความโกรธความหลงกันขึ้นมาเกิดความทุกข์กันขึ้นมาการเปิดยอดโดยต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกไปทางตาหูจมกูกเล่นกาย ด้วยการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นี่คือเรื่องของพระภิกษุในยุคที่ยังไม่มีการอยู่จำพรรษาช่วงฤ ด, ดูฝนก็ไม่ได้อยู่กับที่ก็ยังเดินทางไปไหนมาไหนกันอยู่องค์ที่อยากจะไปปีกวิเว ก, กไปองค์ที่อยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ ไปศึกษาจากครูบาอาจารย์รูปอื่นอยู่กับครูบาอาจารย์รูปนี้แล้วอาจจะยังไม่ประทับใจก็อยากจะไปกราบไปฟังเทศจากครูบาอาจารย์รูปอื่นเพื่อเสริมความรู้ก็เลยมีการเดินทางไปมาที่นี้ในช่วงฤดูฝนนี้เป็นช่วงเพาะปลูกชาวนาชาวไร่จะมีการปลูกพืชกัน พระสงฆ์พระภิกษุเวลาท่านเดินถามบางองค์บางท่านก็อาจจะเดินรัดทุ่งรัดนาทีนี้ถ้าไปเดินเหยียบรัดทุ่งลัดนาก็ไปเหยียบพืชที่เพิ่งเพาะปลูกใหม่ๆทาให้เกิดความเสียหายขึ้นมาชาวนาชาวไร่เลยต้องไปร้องเรียนต่อพระพุทธเจ้าว่า พระภิกษุสร้างความเสียหายให้กับตนอยากจะช่วยอยากให้พระพุทธเจ้าช่วยห้ามปลามพระพุทธเจ้าก็เลยกำหนดให้พระภิกษุอยู่กับที่สามเดือนไว้ให้รอและดูแลก่อนแล้วค่อยไปอันนี้คือที่มาของการจำพรรษา แถวไทยเราเลยถือช่วงจำพรรษานี้เป็นช่วงมาบวชกันสมัยก่อนเขาไม่ได้บวชชั่วงข่าวสมัยพระพุทธเจ้านี้บวชแล้วไม่ศึกกันพวกที่ตัดสินใจบวชนี้มักจะไม่เศึกกันเพราะส่วนใหญ่บวชแล้วได้ศึกษาจากพระอาจารย์ระดับพระอาหารหันต์ทั้งนั้นเมื่อได้มีอาจารย์ระดับพระอาหารหันต์เป็นอาจารย์สอน ก็ได้บรรลุปเป็นผ้าหลานกันเป็นส่วนใหญ่จึงไม่มีการศึกกันสมัยก่อนบวชแล้วก็บวชไปตลอดแต่ระยะต่อมาความเข้มข้นของาศาสนาก็ค่อยๆจางหายไปผ้าระดับผ้าหลานก็มีน้อยลงน้อยลงยังศึกษาผ้าพิกษุที่มาบวช เมื่อไม่มีอาจารย์ที่เข้มข้นบางครั้งก็หมดศรัทธาเรือสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ไหวบวได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องลาสิกขาไปเลยมีการบวชด้วศึกกันชาวไทยเราเลยเอาธรรมเนียมนี้มาใช้ต่อ มาบวชกันสามเดือนอย่างน้อยก็ขอให้ได้บวชกันสักสามเดือนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อเป็นการทดแทนบุญคณบิดามารดาเพราะบิดามารดาจะได้รับประโยชน์จากการบวชของลูกคือ ตามปกติถ้าบุตรถ้าลูกไม่บวชบิดามารดาก็อาจจะไม่ได้เข้าวัดเพราะเมื่อแต่ทามาหากินหาเงินหาทองถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆบางทีก็ไม่เข้าวัดกันเข้าก็อาจจะเข้าไม่มากไม่บ่อยแต่พอมีลูกมาบวชก็มีความห่วงใยคิดถึงลูก ก็จะมาวัดบ่อยมาพบลูกมาถามสารทุกข์สุกดิบแล้วก็ได้มาทาบุญมาวัดก็จะได้มาทาบุญนี่ถ้าพ่อแม่ได้ทาบุญก็จะได้รัอ น, นิสงค์คือถ้าได้ทาบุญได้รักษาศีลตายไปก็ไปสู่สุขติ ถ้าไม่ได้เข้าวัดก็อาจจะไม่ได้ทําบุญอาจจะไม่ได้รักษาศีลเออาจจะทําบาปข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเวลาทำมาหากินก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องทําบาปโกหกบ้างช่อโกงบ้างหลอกลวงบ้างก็จะทําให้มีโทษตามมาตายไปแทนที่จะได้ไป สวรรค์ไปสุขคติก็จะไปทุกขคติไปอบายดังนันนิสงส์ของการที่มีลูกบวชในในาศาสนาก็จะช่วยให้ดึงพ่อแม่ให้ให้พ้นจากอบายไดเก็เรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองเมื่อลูกบวชลูกกับปัตตะ ลูกก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกเองก็ได้อนิสงส์ได้รู้ทางไปสู่สวรรค์ได้รู้ทางไปสู่นิพพานพ่อแม่ก็เมื่อมาเยี่ยมลูกก็อาจจะได้คุยกับลูกไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้ามาทํากิจกรรมในศาลาบางทีมาก็ต้องมาเอาอาหารมาถวาย ก็จะมีกิจกรรมในสารามีการถวายของแล้วก็มีการแสดงธรรมพ่อแม่ที่ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้รู้ทางสู่สวรรค์รู้ทางสู่อบายว่าเกิดจากการกระทาอะไรบ้างแล้วถ้านำาอาไปปฏิบัติได้คือทาบุญรักบาปก็จะ สามารถไม่ต้องไปอบายเวลาที่ตายได้และถ้าถ้าได้ยินถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดว่าหลุดพ้นได้อย่างไรก็อาจจะปฏิบัติตามก็ได้ถ้าปฏิบัติตามคือชำระใจให้สะอาดปราศจากกิเลสตัณหาได้ ก็ไม่ต้องกลับมาเวว่าไหวตายเกิดนี่ก็จะเป็นประโยชน์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการบวชของลูกเ อ, อลูกจะเป็นผู้ดึงพ่อแม่ให้เข้าวัดพ อ, อลูกอยู่วัดพ่อแม่ก็คิดถึงห่วงเป็นห่วงเป็นใ่ก็ต้องแวะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเอาข้าวเอาของมาถวายมาสนทนาทมกัน ลูกได้เรียนรู้อะไรก็มีโอกาสได้แบ่งให้พ่อแม่ได้รับทราบพอเวลาลูกมาบวชก็ต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวไทยเราจึงถือประเพณีการบวชอยู่จำพรรษากันก็เลยเป็นช่วงที่จะมีคนมาเข้าวัดกันมากทั้งมาบวชและทั้งมา เยี่ยมคนที่บวชและบางทีก็อาจจะอยู่พักแรมเพื่อที่จะได้ปฏิบัติทำขั้นสูงคือการภาวนาถ้าปฏิบัติทำขั้นต่ำคือการทำบุญก็มาเช้าเย็นกลับก็ได้มาใส่บาทมาถวายอาหารฟังเทศฟังธรรมเสร็จก็ลากลับบ้าน ขอศีลห้าสมท า, านศีลห้ากลับบ้านไปแต่บางวันไม่ต้องทำงานก็อาจจะอยู่วัดถือศีลอุโบสถรักษาศีลแปดแล้วก็จะได้ภาวนาฝึกจิตทำจิตให้สงบฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาในรรษาชาวพุทธเราจึงถือว่าการปฏิบัติ ตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นช่วงที่จะทุ่มเทกันจะให้ความสำคัญกับช่ว ง, วงระยะเวลาอยู่ในในเวลาอยู่ในพรรษาตั้งแต่วันเพ็ญเดือนวันแรมหนึ่งข่ำเดือนแปดที่ผ่านมาจนถึงวันแรมหนึ่งข่ำเดือนสิบเอ็ด เป็นระยะเวลาสามเดือนที่ก็จะมีการตั้งจิตตั้งใจที่จะจะศึกษาฟังเทศฟังธรรมที่จะตั้งใจปฏิบัติทำระดับใดระดับหนึ่งระดับทานระดับศีลระดับภาวนาบางท่านจะตั้งจิตอธิษฐานจะทำบุญใส่บาต ท, ทุกวัน บางท่านก็จะสมาทานรักษาศี่หน้าทุกวันบางท่านก็ตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวันวันละครั้งหรือสองครั้งแล้วแต่จะกำหนดก่อนนอนหลังจากตื่นขึ้นมาหรือเวลาใดที่มีเวลาว่างแทนที่จะเปิดทีวีดูดูละครดูอะไรก็เปิด ใจเปิดธรรมะด้วยการนั่งสมาธิดูธรรมะธรรมะนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเอามาสั่งสอนพวกเราตั้งแปด0 0ืนสี่พันธรรมบทเนี่ยที่มีบรรจุในพระไตรปิฎกนี้เชื่อไม่ว่ามาจากใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ ที่นูน่นที่นี่ไม่ได้อยู่ธรรมะเนี่ยมันอยู่ในใจถ้าเรายึดต้องการธรรมะเราต้องเข้ามาที่ใจของเราแต่ก่อนที่จะเข้ามาที่ใจได้เราก็ต้องอาศัยธรรมะของคนอื่นสอนเราก่อนต้องไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้ก่อนผู้รู้ก็จะสอนว่า ถ้าอยากจะเห็นธรรมแท้ธรรมจริงธรรมที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆต้องเป็นธรรมที่อยู่ในใจของเราธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็อยู่ในใจของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าตัดสั้ไม่ได้ตัดสู้โดยที่ ไปที่อินเดียหรือไปที่ในปานหรือไปที่ที่ดาวอังคารหรือโลกประจันพระพุทธเจ้าตัดสรุ ธ, ธรรมที่อยู่ในใจของท่านธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทไทยนิโรธดมากเลย อย่าไปหาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่ที่อื่นไม่มีไปที่สังเวชนิสถานสี่ก็ไม่มีไปที่ไหนก็ไม่มีมันอยู่ที่ใจเราทุกอยู่ในใจเราสมุทัยอยู่ในใจเรานิโรธอยู่ในใจเรามรรคอยู่ในใจเราถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกต้อง หนึ่งใจให้กลับเข้ามาข้างในไม่ให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่พบอริยสัจสี่ถ้าพบก็เป็นอริยสัจสี่เป็นป้ายเป็นเป็นเหมือนกับเป็นป้ายบอกทางแต่ไม่ใช่เป็นอริยสัจสี่ที่แท้จริงเช่นเราไป ห น, นังสือธรรมะเราก็จะอ่านเกี่ยวกับอริยสัจสี่แต่อันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นป้ายโฆษณาไม่ใช่เป็นตัวสินค้าเวลาเรานั่งรถไปตามถนนหนทางเรามักจะเห็นองติดป้ายโฆษณาต่างๆโฆษณาสินค้าต่างๆโฆษณารถยนต์โฆษณาบ้านโฆษณาอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียง ป้ายโฆษณาไม่ได้เป็นของจริงของจริงนี้ต้องไปที่บริษัทที่เขาขายเช่นเขาขายรถนี่พอเราเห็นป้ายโฆษณาเห็นป้ายรถเราก็อยากได้เห็นเราสวยเราก็ต้องไปที่บริษัทขายรถเราถึงจะได้รถยนต์ที่เราต้องการถ้าเราไปยืนอยู่ที่ป้ายยังไงก็ไม่ได้รถยนต์ ได้แต่ป้ายนั้นธรรมะที่เราศึกษากันเนี่ยจากแหล่งต่างๆจากสื่อต่างๆจากหนังสือก็ดีจากครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นเหมือนป้ายโฆษณาไม่ใช่เป็นสินค้าตัวสินค้านั้นอยู่ในใจของพวกเราถ้าไปศึกษากับธรรมะหนังสือธรรมะหรือศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนให้เรา กลับมาภาวานานั่นเองให้เราถือศีลถือศีลก็ปิดประตูปิดตาหูจมูกลิ้นกายถือศีลของนักบวชศีลแปดขึ้นไปให้ปิดตาหูจมูกลิ้นกายปิดประตูจะได้ไม่ออกไปเพราะนี่เป็นไปผิดทางธรรมะไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดถภาธรรมะอยู่ยในใจ ยังถ้าถายังเปิดประตูทั้งห้าอยู่เปิดตาหูจมูกเล่นกายก็จะไม่ไไม่ไม่ได้ไปเข้าไปข้างในก็จะออกไปข้างนอกทำไมถึงออกไปข้างนอกเพราะใจเรามีความหลงคอยผลักดันที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความโงค่ความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าธรรมะอยู่ที่ข no like so ้างนอกเห็นว่าความสุขอยู่ที่ข้างนอกเห็นว่าการดับทุกข์อยู่ที่ข้างนอกเห็นอยู่อยู่ที่กะอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาเวลามีความทุกข์ก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถะภากันพอได้เสดก็มีความสุขขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปแต่เป็นการหายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหมดไป ความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ทำไมเวลาทุกข์ก็สูบบุหรี่กันคลายเครียดก็สูบบุหรีกก่กันเลิกกินเหล้ากันพอได้สูบบุหรี่ได้กินเหล้าความเครียดก็หายไปเีนยวพอลิดบุหรี่ริดสุราหมดไปความเครียดก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความอยากดื่มสุราความอยากสูบบุหรี่ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ก็ต้องออกไปหาบุหรี่หาสุราใหม่หากี่รอบกี่ครั้งความทุกข์ก็ไม่หายไปไม่หมดไปหายไปเพียงชั่วคราวนี่แหละเป็นความหลงของสัตว์โลกที่ไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าความทุกข์นี้อยู่ในใจและไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้คือความอยากต่างๆ และไม่รู้ว่าการจักําจัดความทุกข์นี้กําจัดด้วยอะไรถ้ามาศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกถึงจะรู้ว่าเวลาทุกข์อย่าไปสู่บรุรีอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปดื่มสุราอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปเที่ยวอย่าไป ซื้อของไม่จำเป็นต่างๆอย่าไปช้อปปิ้งให้มาหยุดความอยากกันออแล้วรมที่จะหยุดความอยากได้ก็คือเนี่ยศีลสมาธิปัญญาออคือมรรคเนี่ยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องมาสร้างศีลสมาธิปัญญาเพราะตอนนี้เราไม่มีศีลสมาธิปัญญากัน เราเลยไม่รู้เราเลยไม่สามารถไปละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปทำตามความอยากแทนพออยากดื่มสุราก็ให้ไปดื่มสุราอยากเที่ยวก็ให้ไปเที่ยวอยากจะทำอะไรก็ให้ไปทำความทุกข์ก็หายไปเดียวๆแล้วเดีย ว, ย ว, ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ ไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาหาใหม่อยู่บ้านก็ทุกข์พอออกไปเที่ยวก็หายทุกข์พอกลับมาบ้านก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็รอเราอยู่อีกนี่เราจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ถ้าเราไม่มีมรรคคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลเราก็จะปิดประตู ไม่ให้จิตออกไปแก้ปัญหาภายนอกเวลาทุกข์ไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรให้กลับเข้ามาข้างในมาทำใจให้สงบให้ได้เพใจสงบแล้วความทุกข์จะหายไปเพระเวลาใจสงบความอยากก็หยุดทำงาน ความอยากนี้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งพอคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาคิดถึงของที่อยากจะซื้อก็อยากจะซื้อขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความคิดได้อย่างตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงอะไรมั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ความอยากจะทำอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะซื้ออะไรตอนนี้ก็ไม่มี เพราะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเรากำลังคิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำลังฟังอยู่มันก็เลยทำให้เราลืมเรื่องต่างๆแล้วก็ทำให้เราไม่ได้มีความอยากกับสิ่งต่างๆได้ช่วคทาวอันนี้คือวิธีเบื้องต้นคือเราต้องมาควบคุมความคิดหยุดความคิดกันให้ได้ เพราะถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เช่นเวลาเราทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองไปนั่งสมาธิดูหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ความทุกข์จากเรื่องต่างๆจะหายไปเพราะความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันหยุดทางานชั่วคราวแต่มันไม่ตายอย่างถาวร การนั่งสมาธิการใช้สติควบคุมความคิดควบคุมความอยากนี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้การจะใช้กำจัดความอยากให้หมดไปจากใจนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าถ้าอยากจะให้ทุกข์ดับไปอย่างถาวรก็ต้องอหยุดความอยาก อย่างถาวรทุกครั้งที่อยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากเมื่อเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกาลังไปแล้วการที่เราจะหยุดทำตามความอยากได้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันจะทำให้เราทุกได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราทุกเพราะอะไรได้มาแล้วเดี๋ยวมันหายไปมันจากเราไป มันหมดไปพอมันหมดเราก็เศร้าเคยมีความสุขกับสิ่งที่ได้มาพอสิ่งที่ได้มาหายไปหรือหมดไปความสุขนั้นก็หายไปพอความสุขหายไปความเศร้าก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่อันนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาจึงจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี้มันเป็นอย่างนี้ มันเป็นของชั่วคราวมันให้ความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอมันหมดฤทธิ์ความสุขนั้นก็หายไปสูบบุหรี่ตอนสูบก็หายใจเข้าไปในปอดเนะี่ยรู้สึกสุขเือเกินสูบพันเข้าไปตอนที่ไม่ตอนที่อยากสูบนี่โหยจะดิ้นตายให้ได้พอได้สูบเข้าไปเนะีมาเบา อ, อกเบาใจสบายใจ ฤิ์ของบุหรี่เข้าไปสู่ร่างกายแล้วมีความรู้สึกที่สบายขึ้นมาแต่เดียวพอสูบหมดบวนนิ์ของบุหรี่ที่อยู่ในร่างกายจางหายไปความสุขที่ได้จากการสูบ ก, ก็หายไปความอยากสูบ ก, ก็โผล่ขึ้นมาใหม่พออยากแล้วก็เครียดแล้วสิถ้ายังไม่ได้สูบ ส่วนใหญ่พออยากปั๊บนี่มือนี่คว้าไปที่กระเป๋าคว้าไปที่ซองบุหรี่แล้วหยิบออกมาใส่ปากจุดไฟดูดเข้าไปทันทีถ้าเกิดมันหมดเนี่ยทีเนี้ยเครียดหยิบเข้าไปในซองมีแต่ซองเปล่าบุหรี่ไม่มีแล้วก็อยู่ไกลจากที่ขายทีเนี้งดหยิบแล้วสิงดหยิบลำคาญใจจะต้องจะทำอะไรนี่เลิกทำแล้วเปลี่ยนเป้าหมาย ต้องไปหาบุหรีก่อนนะนี่แหละคือิทธิ์ของสิ่งที่เราไปติดนะมันเป็นของชั่วคราวมันแก้ปัญหาได้ชั่วคราวมันแก้มันแก้กความเครียดแก้ความหงุดหงิดให้ได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดแล้วไม่มีมันนะ่ยเทนี้มันจะหงุดหงิดจะเครียดยาวหละถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่ไม่มีบุหรีขายเนะี่ ทุกครั้งที่คิดถึงบุหรีก็จะเครียดขึ้นมาแต่ก็ดีอย่างถ้าถ้าอยากจะเลิกบุหรีก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีบุหรีมันถึงจะเลิกได้เพราะมันจะต้องทาใจมันจะต้องควบคุมใจถ้าอยากจะให้มันหายเร็วก็ใช้วิธีนั่งสมาธิเนี่ยเพราะเวลาเครียดมันคิดถึงบุหรีเราก็นั่งสมาธิให้มันหยุดคิดถึงบุหรี พอมันหยุดคิดถึงบุรีมันความอยากบุรีก็จะหายไปความเครียก็จะหายไปทุกครั้งทำอย่างนี้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปพะเราไม่ไปทาตามความอยากนี่คือปัญญาถ้าถ้าใช้สมาธิอย่างเดียวมันเหมือนไปกดมันไว้เฉยเฉยมันไม่มีเหตุมีผลมันไม่รู้ว่าการการหยุด ด้วยสมาธินี้จะทำให้ความทุกข์หายความอยากหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมความคิดไม่ควบคุมความอยากปล่อยให้มันไปคิดถึงสิ่งที่อยากเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันก็อยากขึ้นมาอีกวิธียี้ทำให้มันไม่คิดก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นอันตรายต่อเราเป็นพิษเหมือนกับถ้าเราคิดว่าบุหรี่นี่สูบแล้วจะทาให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมา ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุรี่ก็อาจจะคิดสองครั้งก่อนคิดหลายรอบ ก, ก่อนสูบดีหรือไม่สูบดีสูบแล้วเดี๋ยวเป็นการซื้อบริเวณบระเร็งผ่อนส่งสูบไปที่ละมวนสองมวลเดี๋ยวไม่นานบะเเ็งก็โผล่กันมาในปอดนี่คือปัญญาต้องเห็นโทษเห็นภัยที่เกิดจากการการทำตามสิ่งที่เราต้องการอยากจะทำ อยากบุอยากบุหรีก็คิดถึงโลกมะเร็งเนี่ยหรือคิดว่ามันทำให้ถ้าติดบุหรีแล้วก็ต้องทุกไปเรื่อยเวลาไม่มีบุหรีสู่ก็จะทุกเนี่ยถ้าไม่อยากจะทุกก็อย่าไปสู่บุหรีอันนี้คือปัญญาเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เราอยากได้ว่าแทนที่จะเป็นมิตรกับเรากลับเป็นศัตรูกับเราเป็นมิตรในตอนต้น เป็นศัตรูในคราบในในคราบของมิตรมาทำดีกับเราให้ความสุขกับเราให้เราติดบุหรีพอติดแล้วทีนี้มันก็มันก็มีแต่ให้ความทุกข์กับเราคนที่ติดกับคนไม่ติดนี่ใครสบายกว่ากันคนติดบุหรีนี้ต้องทุกข์กับการหาบุหรีมาสูบอยู่เรื่อยๆคนไม่ติดบุหรีสบายไม่ไม่ไม่มีบุหรีก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราคิดว่าจะบรรเทาความเครียดความทุกข์ของเรานี้ความจริงมันบรรเทาได้ชั่วคราวแล้วถ้าเราขาดมันไปเมื่อไหร่หมดมันไปเมื่อไหร่ความสุขที่ได้ที่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีก็นี่คือให้เห็นทุกข์ไงเห็นอ น, นิจจงอ น, นิจจงก็คือชั่วคราว เ, เกิดแล้วก็ดับได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปอั น, นิจังอนัตตาก็คือเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องให้ความทุกข์กับเรานี่คือเห็นตายลักเห็นอานิจังทุกขังอนัตตาเห็นภยัยเห็นโทษ ของสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทุกข์ฉันอยากจะได้แฟนเอพอได้แฟนมาใหม่ๆก็สุขเดี๋ยวอยู่ไปสักพักเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีความเห็นไม่ตรงกันหรือเดี๋ยวเขาไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่สนใจเราเบื่อเราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น นี่ความสุขที่ได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราจะมาดาคับดับความทุกข์ให้กับเรานี้ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันจะมาให้ความทุกข์ของเราเพิ่มมากขึ้นไปในด้วยการหลอกเราใ ห, ให้ให้เราได้รับความสุขตอนต้นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดใช่ไหม ปลาเห็นเหยื่อมันก็น้ําลายไหลใช่ไหมตะคุกเหยื่อเพอตะคุกแล้วทีนี้ก็ตะขอเบ็ดก็เกี่ยวปากนั่นแหละสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดออย่าไปคิดว่าเป็ น, ปนสุขมันจะกลายเป็นความทุกข์พอไปยุ่งกับมันแล้วทุกข์ทันทีพอไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรมีอะไรขึ้นมานี้ต้องทุกข์ทันทีมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนะ มีครอบครัวก็ต้องทุกกับครอบครัวมีลูกมีเต้าก็ต้องทุกกับลูกมีสมบัติก็ต้องทุกกับสมบัติมียศก็ต้องทุกกับยศมีสรรเสริญก็ต้องทุกกับการนินทาเนี่ยโลกนี้สิ่งต่างๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นกันเราไม่มีปัญญา เราเห็นลาบนี้โอ้ดีใจอยากได้กันเห็นว่าเป็นสุขกันเห็นยศเห็นตำแหน่งอยากได้กันเห็นล้ามาน้ำลายไหลเห็นการสรรเสริญได้รับรังวีรางวัลเห็นไหแข่งบอลโลกได้รางวัลที่หนึ่งโอ้โหดีอกดีใจกันแต่เดียวเดียวมันก็จางหายไปตอนนี้ดีใจหายไปหมดแล้วแชมป์โลกที่ได้มาตอนนี้หายลว ทีนี้หิวกับรางวัลใหม่แล้วเนี่ยรางวัลเก่าหมดความหมายแล้วทีนี้ก็ต้องไปงล่ารางวัลใหม่เดีย๋ยวถ้าไม่ได้ก็เสียใจแล้วเลยใครอยาไปได้ทุกครั้งทุกทุกทุกปีทุกรอบมันก็ต้องมีแพ้มีชนะผลัดกันไปทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียไม่มีใครที่จะได้ไปตลอดได้ไป ตลอดก็ต้องมาเสียตอนตายอยู่ดีถ้าไม่เสียตอนเป็นก็ต้องเสียตอนตายบางคนได้ตำแหน่งไปตลอดชีวิตแต่พอถึงเวลาตายก็ต้องเสียหมดอะนั้นของทุกอย่างในโลกนี้ท่านให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด สิ่งที่จะทำให้เราดับความทุกข์ไปได้ตลอดก็คือการไม่ทำตามความอยากนี้เท่านั้นการหยุดความอยากอยากสู่บุรีก็อย่าไปสู่มันเดี๋ยวความอยากสู่บุรีก็จะหายไปแล้วพอหายไปแล้วความทุกข์ที่เกี่ยวกับบุรีก็หายไปความอยากได้อะไรก็อย่าไปมีมันมีมันแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาพอไม่มีแล้วสบาย มีอะไรแล้วมันจะต้องทำให้เราทุกข์พอเราจะรักจะหวงจะห่วงจะเสียดายเวลาที่มันเป็นอะไรไปจากเราไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้อํานาจของเราอนาัตตาก็คือเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยอย่างฝนฟ้าอากาศนี่เราไป ควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ฝนตกหรือห้ามไม่ให้ฝนตกนี่ทาไม่ได้ฝนมันจะตกก็ตกมันจะไม่ตกก็ไม่ตกลาบยศจรละเสรินความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันไปสั่งให้มันให้เราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้บางเวลาก็สุขบางเวลาก็ไม่สุขแล้วแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นี่คือปัญญาที่จะทําให้เรากําจัดความทุกข์ได้หมดสิ้นไปสมาธินี้กําจัดได้ชั่วคราวเวลานั่งสมาธิ จ, จิตสงบความอยากก็หลั่งับไปชั่วคราวแต่ไม่หายไปพอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงบุหรี่ก็อยากบุหรี่ขึ้นมาพอไปคิดถึงกาแฟก็อยากดื่มกาแฟขึ้นมา พอไปคิดถึงขนมก็อยากกินขนมขึ้นมาถ้าไม่อยากกินก็ต้องคิดว่ากินแล้วมันจะทำให้เราทุกข์นะเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดกินแล้วจะติดจะต้องกินอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาอยากกินไม่มีกินแล้วมันจะทุกข์คิดอย่างนี้อยากสูบบุหรี่แล้วไม่มีบุหรี่สูบมันจะทุกข์อยากดื่มกาแฟแล้วไม่มีกาแฟดื่มมันจะทุกข์ให้คิดอย่างนี้บ้าง แล้วมันจะได้มีปัญญามีความฉลาดที่จะรู้ว่าการมีความอยากนี้มันไม่ดีแล้วก็เลิกมันดีกว่าอยากไปอยากดีกว่าเมื่อไม่อยากแล้วใจเราก็จะสงบสบายอยู่เฉยๆก็ไม่หิวไม่หยความหิวหวยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ ต่อให้กินอะไรมากน้อยเพียงไรความหิวโหยมันก็ไม่หมดไปร่างกายมันถึงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเกินขนาดเกินเกินน้าหนักอะไรต่างๆก็เพราะความอยากทางใจมันไม่หมดเนี่ยถ้ากินเพื่อร่างกายนี้กินเพื่อหนเดียวก็พอแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พระฉันมื้อเดียวบินตบาตเสรกลับมาฉัน ั้นเสร็จ ก, จก็จบไม่ต้องกินอีกอยากกินก็ไม่ต้องกินอยากนี้ไม่ได้อยากเพื่อร่างกายแล้วอยากอยากเพื่อความทุกข์อยากไปกินฝึกได้ของพวกนี้ฝืนได้ความอยากจะฝืนง่ายฝืนยากอยู่ที่ว่าเรามีสติมากน้อยถ้ามีสติมากทำใจให้สงบได้มันก็จะฝืนง่ายมันจะไม่ทรมาน ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากนี่มันจะทรมานมันจะฝืนยากอาจจะฝืนไม่ไหวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราฝึกสมาธิก่อนฝึกสติก่อนให้มีสติมีสมาธิก่อนถึงไปสู้กับความอยากถึงไปฝืนความอยากได้ถ้าไม่มีสติสมาธิพออยากแล้วมือไม้มันสัน่นใจมันสัน่น แต่ถ้ามีสติมีสมาธิเวลาใจสัน่นเราหยุดมันได้ถ้ามีสติพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปเดี๋ยวมือไม้สัน่นใจสั่นก็จะสงบจะนิ่งแล้วก็จะสู้กับความอยากได้ฝืนกับความอยากได้เฉะั้นการปฏิบัติจริงๆนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนสตินี้เป็นตัวที่จะทําทให้ใจจะควบคุม ใจได้ควบคุมความสั่นควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าไม่มีสติควบคุมไม่ได้ถ้าไม่มีสติควบคุมไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาก็ควบคุมมันไม่ได้ถึงแม้ปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์นะถ้าไม่มีกำลังกิเลสม่บอกทุกข์ก็ทุกข์วะตอนนี้มันทุกข์ ก็ต้องเอาก่อนแล้วอช่วงที่มีโรคเอสดกระจายเยอะะนี้มีคนบางคนบอกว่าออติดเอส ด, ดีกว่าตายออถึงไม่ติดเอสดยังไม่ตายะยอมยอมยอมติดเอสดเพราเวลามันมันอยากแล้วมันทรมานใจมันยอมตายดีกว่าอาทนทรมานกับเอ การที่จะต้องไปติดเอ็ดนะไปเที่ยวไปเที่ยวซ้มซสอนนี้นี่คือถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธินี้อยาไปสู้กับความอยากสู้ไม่ได้เพะฉั้นก่อนที่เราจะสู้กับความอยากก่อนที่เราจะาใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่ดีเราต้องมีกำลังที่จะหยุดความอยากให้ได้ก่อน ถ้าไม่มีกำลังสอนมันยังไงมันก็ไม่ฟังมันดื้อมันดื้ อ, ม, อมันก็จะไปทำในสิ่งที่เรารู้ว่าทำแล้วเราก็จะต้องทุกข์ทีหลังแต่ก็ยังไงก็ขอสุขก่อนขอสุกเหมือนเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดขอขอฮุบเหยื่อก่อนส่วนเบ็ดมันจะมาเกี่ยวปากทีหลังก็ค่อยว่ากันใหม่อันนี้พระพุทธเจ้ า, าถึงสอนธรรมะเป็นขั้นขั้น มันสนับสนุนกันศีลนี้สนับสนุนสมาธิให้เกิดสมาธิสมาธิจะสนับสนุนให้มีปัญญามีกําลังที่จะใช้ปัญญาต่อสู้กับความอยากเมื่อมีปัญญาก็สามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าไม่มีศีลจะไปฝึกสมาธิไม่ได้หรอกเพราะจะไม่มีเวลา คนที่ไม่มีศีลคือคนนี้ก็จะไปเที่ยวคนไม่ถือศีลแปดนี่ก็ต้องเขาก็จะไปเที่ยวกันได้ไปกินเลี้ยงกินอาหารกันไปดูหนังฟังเพลงไปร่วมหลับนอนกันได้แต่งเนื้อแต่งตัวทำผ้ า, าทำผมทำหน้าทำตากิจกรรมเหล่านี้มันใช้เวลามันต้องมีเวลาทำ พอเอาเวลาไปทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วจะเอาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิได้อย่างไรก็อาจจะนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีซึ่งน้อยมากไม่พอต่อการที่จะทำให้ใจมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้การที่จะทำให้ใจสงบมีกำลังสู้กับความอยากได้นี้ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน การปฏิบัติจึงเหมาะกับพวกที่เป็นนักบวชนักบวชนี่เขาไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นเหมือนกับชาวบ้านผู้ครองเรือนคาราวาผู้คลองเรือนนี้จะทำกิจกรรมตามกับนักบวชคาราวาจะทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะไม่มีเวลาที่จะมา จรานสติเมื่อควบคุมความคิดมาหยุดความคิดมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนรักษาศีลแปดศีลห้านี้ไม่พอสําหรับการภาวนาอศีลห้า น, นี้สําหรับชาวะผู้คลองเรือนป้องกันเพื่อไม่ให้ไปอบายเท่านั้นเองถ้าถือศีลห้าได้ตายไปก็ไม่ไปอบายแต่ จะมาฝึกสมาธิไม่ได้ไม่มีกําลังพอไม่มีเวลานั่นเองไม่มีเวลาที่จะฝึกเพราะเอาเวลาไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดเพราะนั้นต้องมีศีลก่อนฝึกศีลถ้ามีศีลรักษาศีลแปดได้หรือศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดได้ทีนี้ก็จะมีเวลาว่างทั้งวันเพราะห้ามทุกอย่าง อยากจะดูหนังก็ดูไม่ได้ฟังเพลงก็ฟังไม่ได้อยากจะกินอะไรจะดื่มอะไรนอกเวลาก็ไม่ให้ดื่มไม่ให้กินพระปฏิบัตินี้ท่านจะมีเวลาฉันน้าปะนะก็ต้องฉันตามเวลาฉันอาหารก็ฉันตามเวลาไม่ให้ฉันพั่าเพื่อไม่ให้เก็บของฉันไว้ในกุฏิถ้าเก็บไว้ในกุฏิมันใกล้มือ เดี๋ยวนั่งสมาธิได้ปั๊บหิวขึ้นมาก็หยุดนั่งมาชงกาแฟมากินขนมกินอะไรกินยากินน้ำอะไรปานะหรืออะไรไปแต่นี่นั่งสมาธิก็กลับมาหาความสุขทางลิ้นทางปากถึงไม่ให้เก็บของชั้นไว้ในกุฏิวัดป่านี้เขาจะมีที่เก็บของเป็นส่วนกลาง แล้วมีกำหนดเวลาบ่ายสองโมงก่อนปัดกวาดหรือหลังปัดกวาดใครอยากจะฉันน้ำปานะฉันอะไรมาฉันทีเดียวฉันหนงเดียวฉันให้เสร็จเสร็จแล้วก็จบจะได้ไปภาวนาได้ตอนเช้าก็ให้ฉันมือเดียวฉันเสร็จก็กลับมาก็จะได้ภาวนาไม่ต้องมารอฉันเพลงอีกถ้ารอฉันเพลงก็ยังไม่ได้ภาวนาอ นะถ้าเป็นชาวบ้านกินเย็น ก, กินข้าวเย็นอีกก็เลยต้องรอกินข้าวเย็นก่อนถึงจะไปภาวนาพอกินเสร็จเดี๋ยวต้องดูข่าวก่อนดูละครก่อนดูอะไรก่อนพอจะพอจะภาวนาก็ง่วงนอนทละนั่งภาวนาก็สับประงกนั่งได้นาทีสิบนาทีก็หลับ นี่คือปัญหาของการไม่มีศีลคือศีลห้ามีศีลห้าไม่พอต้องมีศีลแปดขึ้นไปถ้าศีลแปดก็ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าจะให้เข่งกว่านั้นก็ถือเอกาไปกินมื้อเดียวกินแต่เช้าไปเลยกินหนเดียวหลังจากกินตะเช้าแล้วก็ไม่ต้องมารอกินนะ ก็สามารถไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเจริญสติได้ต่อเลยนี่คือเรื่องของศีลที่จะสนับสนุนให้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ต้องมีสติถ้าจิตเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนลิงถ้าอยากจะให้ลิงมันนั่งอยู่เฉยๆต้องทำยังไงต้องมีเชือกมาลัดมันไว้ รัดมันให้มันแน่นมั น, ม, นมันก็จะดิ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเชือกมันก็วิ่งไปวิ่งเล่นไปกระโดดโล ด, ดเต้นของมันไปตามภาษาของมันเชือกที่จะมาลัดจิตให้นิ่งก็คือสติสตินี่เป็นเหมือนเชือกที่จะคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้หยุดคิดให้ให้ให้จิตรู้เฉยเฉยให้รู้ว่ากำลังทาอะไรแต่ไม่คิดว่าก็ คิดถึงคนนั้นคิดนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอะไรให้อยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่เรื่องเดียวอันนี้ก็เป็นการฝึกสติหรือถ้ามันจะคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดมันไปอย่าให้มันคิดนะถ้าเป็นถ้าเป็นนักปฏิบัติถือศีลแปดจะไม่มีเรื่องต้องคิดเพราะว่ามันไม่มีธุระอะไรต้องทาไม่มีกิจกรรมอะไรต้องทา แต่ถ้ายังเป็นนักธุรกิจอยู่เนี่ยก็ยากยากที่จะมาฝึกสติได้เพราะจะคิดเรื่องธุรกิจอยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นนักธุรกิจยังบวชไม่ได้ถ้าอยากจะบวชนี่ต้องต้องสละธุรกิจไปเลิกเลิกทำธุรกิจมีธุรกิจอะไรก็ต้องเลิกพระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสก็ต้องเลิกเป็นราชโอรส ลา่าโจรถก็มีธุรกิจมีหน้าที่ของลา่าโอรถต้องทำเห็นถ้ายัางต้องมีหน้าที่กิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมาฝึกสมาธิได้เห็นพอมีเวลาแล้วทีนี้ก็ต้องควบคุมความคิดให้ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้คอยดูเลยกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปถ้าไม่คิดก็ให้ดูไปว่ากาลังทาอะไร กำลังลุกขึ้นมากำลังยืนกำลังเดินไปห้องน้ำกำลังไปล้างหน้าแปรงฟันกำลังอาบน้ำแต่งตัวให้รู้อยู่กับงานที่เราทำอยู่ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอไม่มีอะไรต้องทำก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธพุทโธไปถ้าไม่นั่งมันจิตมันจะนิ่งไม่ได้เต็มที่ พอเวลาร่างกายเคลื่อนไหวนี่มันเคลื่อนเพราะจิตเป็นผู้สั่งร่างกายนี้เป็นเหมือนหุน่นหุ่นจะมันจะไปไหนมาไหนเองไม่ได้ต้องมีคนชักหุน่นต้องสั่งหุ่นเนี่ยร่างกายเป็นหุน่นใจเป็นผู้สั่งให้หุน่นทำอะไรต่างๆยังถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการกระทำอะไรอยู่ใจก็ยังมีการกระทำอยู่มีความคิดอยู่แต่คิดไม่มากคิดเพียงแต่คิดเกี่ยวกับเรื่องของ การเคลื่อนไหวของร่างกายคิดให้มันเดินคิดให้มันยืนคิดให้มันทำนู่นทำนี่ถ้าอยากจะให้จิตไม่ทำงานเลยร่างกายก็ต้องนิ่งก่อนต้องจับร่างกายมานั่งเฉยๆไม่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็จิตก็หาอะไรมาคอยระงับความคิดใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าดูลมหายใจก็ดูอยู่ที่ปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เฉยๆว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เฉยๆว่าหายใจสั้นหรือหายใจยาวแต่ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งไม่ต้องไปควบคุมบังคับไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาถ้าตามเข้าตามออกจิตก็ยังทำงานอยู่จิตยังถ้ายูเฉยๆจิตถึงจะหยุดทำงานได้ จิตคือผู้รู้ให้รู้เฉยๆถ้าไปคิดว่ากำลังเข้ากำลังออกนี่มันก็กำลังคิดอยู่ไม่คิดให้รู้รู้ได้รู้ว่ามันยาวรู้ว่ามันสั้นแต่อย่าไปคิดอย่าไปตามลมเข้าอย่าไปตามนมออกถ้าอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออกจิตก็จะนิ่งได้แล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบรวมเป็นหนึ่ง รวมเป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตสงบแล้วก็จะเกิดอุเบกขาใจก็จะเบาใจจะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งนั้นตอนนั้นล่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งสุขที่เกิดจากความนิ่งเฉยของจิตนี่แหละคือพลังของจิตอยู่ที่ตรงนี้นั่งสมาธิก็ เ, เพื่อให้จิตนิ่งเพราะความนิ่งนี่แหละที่จะสู้กับความอยากได้ พออยากปั๊บทำใจให้นิ่งปั๊บความอยากก็หยุดทันทีถ้าทำใจให้นิ่งไม่ได้ความอยากมันก็จ ะ, ะมาคอยอมาคอยยุย่หแย่มาคอยสร้างความเครียดทำใจให้สัน่นทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมานี่คือการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้ได้อุเบกขาได้ความนิ่งได้ความสบายได้ความเบา อ, อกเบาใจได้ความอิ่มใจ นี่แหะคือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิจับได้ผลก็ต้องนั่งแบบมีสตินะถ้านั่งแบบไม่มีสติเดี๋ยวมีผลแปลกๆมาให้เราเห็นเดี๋ยวไอ้นั่นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวไอ้นี่โผล่ขึ้นมาเราก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็เป็นบ้าไปกับสิ่งที่เห็นพวกหลงนิมิตพวกนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าเนี่ยนั่งแบบไม่มีสติ พอมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไปคิดปรุงแต่งว่าโอ้ยพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมแล้วอนิพพานมาถึงแล้วเออะไรต่างๆก็คิดปรุงแต่งไปอทั้งๆที่สิ่งที่ปรากฏมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรเสอย่างเราไปว่ามันเองไปบอกมันเองไปปรุงแต่งมันเองเรื่อยสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเราก็เป็นคนปรุงแต่งมันขึ้นมาแล้วก็ให้มันพูดให้มันปรุงแต่งบอกเราว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ บางคนนั่งแล้วก็บอกว่ามีเท้ามหาพรหมมาเยี่ยมมีเทวดาองนั้นองนี้มาเยี่ยมมีบุุรในอดีตคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมนั่งแบบไม่มีสติมันจะมีเรื่องราวต่างๆปรากฏมาหลอกให้ใจเราหลงให้เราวุ่นวายไม่สงบนั่งแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถที่จะมากำจัดความอยากดับความทุกข์ต่างๆได้ ถ้าต้องการที่จะมากำจัดความทุกข์ดับความอยากต้องนั่งแบบมีสติอย่าปล่อยให้ใจผลิตอาการต่างๆขึ้นมาหลอกใจถ้ามันมีก็อย่าไปสนใจใหม่ๆสติล้วอาจจะไม่มีกาลังมากพอที่จะไปยับยั้งการบูงแต่งของใจให้มันผลิตอะไรแปลกๆให้เราเห็นอย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก แล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านะั้นมันก็จะหายไปเพราะกำลังสติเราจะมีมากขึ้นมากขึ้นเมื่อกาลังสติมีมากขึ้นอาการต่างๆก็จะสงบตัวลงแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเป็นหนึ่งสัก์แต่ว่ารู้ขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาพอมันเป็นอย่างนั้นก็ใช้สติประครับประคองให้มันอยู่ไปนานๆอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าไปออกทางปัญญายังไม่ใช่เวลาปัญญายังอีกไกล ตอนนี้เพิ่งหัดหัดยืนอย่าเพิ่งไปคิดถึงวิ่งการวิ่งหัดยืนให้มันให้มันได้อย่นให้มันล้มก่อนเด็กหัดยืนใหม่ๆยืนได้สองสามก้าวเดี๋ยวก็ล้มลงมาแล้นะต้องหัดยืนให้มันแข็งก่อนยืนแบบไม่ล้มก่อนะแล้วค่อยแล้วค่อยหัดเดินแล้วค่อยหัดวิ่งต่อไปอย่างเบื้องต้นเวลาทําจิตให้สงบนี่อย่าเพิ่งไปทางปัญญาพยายามฝึกสมาธิให้ชํานาญ ให้สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนพอหยุดได้แล้วทีนี้เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิเราค่อยมาเจริญปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างที่เราอยากนี่เป็นทุกข์เป็นภัยกับจิตใจเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้แต่เราอยากให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงพอไปอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ยให้คิดอย่างนี้สอนใจอย่างนี้ไปเรื่อย แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากมันก็จะรู้ทันทีว่ากำลังไปหาความทุกข์นะกำลังอยากได้บุหรี่เดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับบุหรี่กำลังอยากจะดื่มสุราเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับสุราพอรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มันก็ไม่เอาดีกว่าไม่ทาตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่มารบกวนใจเราเหมือนเพื่อนฝูงที่มาชวนเราไปเที่ยวนี่ ถ้าเราไม่ไปกับเขาเดี๋ยวไม่มาชวนสักสองสามครั้งพอรู้ไม่ไปต่อไปก็ไม่มาชวนเราชวนแล้วก็ไม่ไปหรือคนมาขอยืมเงินเราเนี้ยมายืมขอมายืมครั้งสองครั้งถ้าเราไม่ให้เขายืมเนี้ยเขาก็ไม่กลับมายืมอีกแต่ถ้าเขามาทีไรแล้วเราให้เขายืมเดี๋ยวเขาก็กลับมาเรื่อยถ้าเพื่อนมาชวนให้เราไปเที่ยวพอไปเที่ยวกับเขาเดี๋ยวเขาก็มาชวนเราอีกความอยากก็แบบเดียวกันเนี่ย พอมันอยากแล้วเราไปตไปกับมันเดี๋ยวมันก็กลับมาชวนเราอีกเี่แต่ถ้ามันอยากแล้วเราไม่ไปชวนไม่ไปตามมันเดี๋ยวมันก็ไม่มาเดี๋ยวมันก็เลิกมาพอมันมีความอยากแล้วใจก็สงบโดยอัตโนมัตินไม่ต้องข้าสมาธิก็สงบเอไม่มีความทุกข์มีแต่ความสบายใจไปตลอดเนี่คือเรื่องของอ เรื่องของศาสนาเรื่องของการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบําบัดความทุกข์เพื่อกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาในช่วงเขา้าพรรษาชาวพุทธเราเลยเน้นในเรื่องของการศึกษาในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันคนคนที่บวชได้ก็บวชกันคนที่บวชไม่ได้ก็ถือศีลแปดกันในวันพระบ้าง เริม่มมาอยู่ถือศีลปดครั้งละเจ็ดวันสิบวันบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาพยายามที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการศึกษาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะผลประโยชน์ที่จะได้รับนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำได้นอกจากการศึกษาการปฏิบัติ คือการดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งป่วอนั่นเองอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะทาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตุทินางเปตานาังอุปปกักปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตต สัพเพโเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยเววัชันตุสัพพารโคเวนัสตุมาเตปวัตตวันตรายอสุขีทีขายุโกภพวะ อภิวาทนาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางัง น, นีหมนท่านขึ้นมาได้ตอนนี้ไปสร้างวัดใหม่เลยไปสร้างมาได้กี่ปีแล้ว Yeah. อ่อยู่ตรงไหนนะอยู่บ้านค่ายครับบ้านค่ายะย อ, อ ม, มีที่กี่ไร่ประมาณห้าสิบห้าสิบไร่วัดป่าภูมา้าเลยครับวัดป่าพูมาเป็นวัดเก่าแล้ว่าเป็นวัดใหม่สร้างใหม่ครับสวนสวนยางสวนกวล้วยเราไปปลูกตากาญจยมถวายที่เลย แล้วพระอาจารย์ท่านเป็นคนให้ไปหรือว่าเราไปเองยันโขอพระอาจารย์คจะสางเว่าที่ระยอวัดป่าน้อยครับแล้วท่านไปเยี่ยมเยือนหรือเปล่ายังครับยังไม่ไปเลยนะอืมีคบาอาที่ลยกอื่าไม่ดิมอนท่านไปนะดิออยูสุขภาพไดีออ่ก็ทาหน้าที่ สืบทอดพระศาสนาต้องมีวัดมีที่ศึกษามีที่ปฏิบัติถ้าไม่มีวัดก็ก็จะไม่มีที่ศึกษาปฏิบัติก็จะไม่มีคนบวชอั้นก็ต้องทาหน้าที่ของพระของวัดหน้าที่ของพระของวัดก็คือการศึกษาการบวชอาการศึกษาการปฏิบัติ ศึกษาปริยัติก็มีสองแบบศึกษาตามตำราหรือศึกษาจากอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วยอจะมีอย่างไหนเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเค้่งคัดต่อธรรมวินัยคำสั่งคำสอนวินัยเป็นคำสั่ง ทำเป็นคำสอนคำสั่งนี้ต้องปฏิบัติตามคำสอนนี้ก็ปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติปฏนนิบัติไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ไม่เสียหายแต่คำสั่งนี้ต้องปฏิบัต e. ิตามทุก ข, ข้อคือศีลสองยิบเจ็นี้ต้องปฏิบัติตามทุก ข, ขอ้อแต่คำสอนเช่นทุดทงขวัฒน์บางข้อเราอาจยังปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไม่ต้องปฏิบัติ คือสอนให้นั่งสมาธินานๆานให้สู้กับทุกขเวทนาแต่อย่างสู้ไม่ไหวก็ยังไม่ต้องทำสร้างสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวก็จะสู้กับทุกขเวทนาได้ก็ไม่ได้พูดรายยาวเพราะเดี๋ยวมีเรื่องที่ต้องถามตอบปัญหาของญาติโยมอีกากลับก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปนะ วันนี้เข้ามาเท่าไร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหกสิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่วิทยุออนไลน์สามสิบแปดรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบสามคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยหกครับวันนี้ไขแดงหวยก็ดูที <c oughs> <c oughs> ่นี้ไม่ตองหกก็ตองห้าไม่ได้หกก็ห้าหมายเลข ก็อยากจะถามอะไรก็ถามได้เมื่อวานนี้มีคนเขาเขียนกระดาษปากอย่างนี้ไหมไม่รู้เขาอยู่ป่าไม่อยู่แล้วมั้งโอเคอ่าถามได้เลยครับคําถามจากคุณจิรนันถ้าอยากจะสวดมนต์หนึ่งบททุกวันจะสวดบทไหนชื่ออะไรเจ้าคะบทสวดที่ครอบคลุมทุกอย่างเน้นบทสวดก่อนนอน ก่อนที่จะนั่งสมาธิคือบทไหนก็ได้เหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่บทนะบทที่เราสวดนี้เป็นเพียง เ, เครื่องมือหรืออุบายให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้เรามีสติอยู่กับการสวดนะอันนี้ก็เป็นการฝึกสติจเจริญสติระงับความคิดปรุงแต่งทำใจให้เบาให้ว่าง ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิต่อได้เพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ทําใจให้เบาให้ว่างก่อนพอนมานั่งจิตมันก็ไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เลยใช้การสวดมนต์สวดเพื่อดึงจิตให้มาอยู่กับการสวดมนต์ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนั่นคือ นั่นคือหน้าที่ของบทสวดมนต์คือดึงใจเราให้ออกจากความคิดปรุงแต่งต่างๆงั้นจะเอาบทไหนก็ได้แล้วแต่เราตามตามประเพณีชาวพุทธเราเขาก็ให้จเจริญพุทธพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัตินถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สอนอะไรเป็นใครปฏิบัติอย่างไรเราก็จะปฏิบัติตามได้แต่าการสวดเราก็จะไม่เข้าใจความหมายเพราะมันเป็นภาษาบาลีถ้าอยากจะเข้าใจความหมายของสิ่งคาที่เราสวดบทที่เราสวดเราก็ต้องเปิดดูหนังสือแปล ى, ที่มีคำแปลหนังสือสวดมนต์บางเล่มเขาจะมีคำแปลประกอบอยู่ประกอบไปกับคำบาลี เราจะได้รู้ว่าเรากําลังสวดอะไรอยู่อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธนะเราก็จะรู้ว่าเรากําลังเลิกถึงพระอารหันต์ตัศมมาสามพุทธเจ้าอารหันต์ตัมมาสามพุทธโธนี่ก็คือพระอารหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าเมื่อเราได้รู้ว่าเรากําลังสวดอะไรแต่เรายังไม่เข้าใจว่าพระอารหัน์เป็นยังไงต่อไปก็จะทําให้เราต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม คำว่าพระอรหัคืออะไรสามมาสามพุทธเจ้าเป็นอย่างไรออมันก็จะทำให้เรามีประเด็นในการที่จะไปศึกษาล่าเรียนต่อเพราะนี่เป็นความรู้ที่สาคัญที่เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติในการควบคุมจิตเราเออในการดับความทุกข์สร้างความสุขให้กับจิตของเราเออต้องมออีมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก นังจะสวด บ, บทไหนก็ไ ด, โด้โดยธรรมเนียมแล้วเราจะเราจะถือบทสวด บ, บทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่นกอนถ้าเป็นชาวพุทธแล้วสวดสามบทนี้ไม่ได้ก็โง่เต็มก็ไม่รู้เป็นพุทธอะไรนะพุทธาหรือเป็นพุทธศาสนิกชนถ้าพุ ท, พทธศานี้สวดอิติปิโสไม่เป็นสวาขาโตไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็น สว่าขาโตสุปฏิปันโนนี่สวนไม่เป็นตั้งหน้าโมไม่เป็นบางคนนะอันนี้ไม่ใช่พุทธละเป็นพุทธสาเป็นผ ล, ลไม้คำถามจากคุณวรคุณจิตผมอยู่กับความว่างตลอดเวลาแต่เมื่อมีสัญญาเก่ามากระทบควรทำอย่างไรที่จะทำให้มันหายไปครับ ก็ให้ใช้คาบริกรรมก็ได้ใช้คาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแต่มันจะไม่หายไปตลอดเพราะสัญญามันก็เป็นอนัตตามันจะมาจะไปก็เรื่องของมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่มันมาหรือไปอยู่ที่ว่าเราไปตามมันหรือเปล่าพอแฟนสัญญาแฟนมาปั๊บก็เกิดอารมณ์คิดถึงแฟนขึ้นมากำลังบวชอยู่พอสัญญาแฟนโผลมานี่ คิดถึงแฟนใจร้อนผ้าร้อนขึ้นมาถ้าอย่างนี้ก็ต้องหลัง่งับถ้าถ้ารู้เฉยๆไม่เป็นไรรู้มาแล้วก็ไปแต่พอมีอารมณ์กลับมานี้ต้องหยุดอารมณ์หยุดด้วยการใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิหรือใช้ปัญญาก็พิจารณาอสุภะของแฟนไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาที่สวยงามมาเป็นสัญญาที่ไม่สวยงาม ทุกครั้งคิดถึงแฟนก็คิดถึงกระดูกของแฟนโครงกระดูกของแฟนคิดถึงตับไตไส้พุงของแฟนถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดถึงคำถามจากคุณขวัญขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เรื่องนิวรห้าและปฐมฌานหากเสียงเป็นอุปสรรคของปฐมฌานเวลาขณะฟังธรรม หากมีจิตจดจอ่อคิดตรึกตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังสลับรู้ลงไปด้วยจะสามารถเข้าปฐมฌานได้หรือไม่คะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เปล่าคามจริงมันต้องอยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปสลับถ้าสลับแล้วมันจิตมันจะไม่นิ่งมันวิ่งไปวิ่งมาเราต้องการให้มันนิ่งให้มันอยู่กับเรื่องเดียว ถ้าฟังธรรมนี้ส่วนใหญ่จะได้ทางปัญญามากกว่าถ้ามีมีมีสมาธิอยู่แล้วฟังธรรมอาจจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิฟังธรรมนี้ก็อาจจะกล่อมจิตให้สงบได้แต่จะถึงขั้นฌานหรือไม่นี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ความสามารถของผู้ฟังกันแล้วกันว่าจดจ่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่ งี้ข้อสาคัญก็คืออย่าสลับกันไปสลับกันมาถ้าจะใช้ลมก็อย่าไปฟังธรรมปิดเสียงธรรมไปเดี๋ยวสองอย่างมันตีกันเหมือนเหมือนเหมือนใช้ยาสองขนาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะตีกันเอายาอย่างเดียวดีกว่าจะเอาพุโทโธก็พุโทโธไปจะฟังธรรมก็ฟังธรรมไปจะดูลมก็ดูลมไปอย่าเอาสองอย่าง คำถามจากคุณสมเกียตรติกราบนมำมการพระอาจารย์ครับอยากถามว่าคนเสียสติหรือคนบ้านั้นตัวรู้ตัวคิดของเขาเสียหรือบอกพร่องใช่ไหมครับไม่บกพร่องตัวรู้ก็รู้เฉยๆท่านหนงแต่ตัวที่บกพร่องก็คือตัวคิดปรุงแต่งคิดไปในทางที่ผิดคิดไปในทางที่ไม่ถูก คิดว่าการทำบาปดีคิดว่าการลักขโมยดีคิดว่าการดื่มสุรายาเมาดีนี่เป็นความตัวที่บกพร่องก็คือความคิดหรือตัวที่คิดไม่เป็นคิดไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรคนเสียสติอยู่ดีๆนึกอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ขึ้นมานึกอยากจะหัวเราะก็หัวเราะขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่มี ความสามารถที่จะแยกแยะว่าควรที่จะทำอะไรตามความคิดหรือไม่คิดมาแล้วนี่ควรจะทำหรือไม่ทำอยู่ที่กำลังฟังเทศกันอยู่นึกดีๆอยากจะหัวเระก็หัวราะออกมาคนเดียวคนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าให้ตอนนี้หัวเราะไม่ได้นั่งเฉยๆแต่ถ้าคนไม่มีสติแล้วไม่มีปัญญาพอมันคิดอะไรมันก็ปล่อยออกมา ฉัต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญาถึงจะไม่เสียสติพอคนเสียสติแล้วมันเหมือนคนเมาคนเมานี้ไม่มีไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดคิดอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็ปล่อยออกมาและไม่มีการค้ควรด้วยปัญญาคาถามจากคุณทวิชาขอเรียนถามว่าถ้าเรารวมจิตเป็นหนึ่งได้แล้ว มีโอกาสที่จะตกหลุมตกบ่ออีกหรือเปล่าคะเพราะตอนที่หนูรวมจิตได้ไม่ได้ตกหลุมตกบ่อเลยคะ่ะก็ไม่จาเป็นบางทีก็ไม่ต้องตกหลุมตกบ่อก็ได้มันก็เข้าไปแบบ เ, เรียบร้อยไปแบบเรียบง่าย้าไปแบบสงบของมันโดยที่ไม่ตกหลุมตกบอ่อไม่แบบพุบผัก ที่มันค่อยๆตกลงไปทีละนิดเทียนหน่อยเข้าไปตามลําดับของมันก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่แบบไหนอขอให้มันสงบเป็นอุเบกขาก็ถือว่าถึงที่เหมือนกันเหมือนจอดรถเนี่ยจอดรถแบบกระทันหันเหยียบปลุ้ดหัวทิมอะไรเงี้ยก็จอดได้หรือค่อยๆเบาเครื่องมาค่อยๆเบียบเบรกมาแล้วเดี๋ยวก็มานิ่งมาจอดเหมือนกันะ ก็ได้ทั้งสองแบบจิตของแต่ละคนมันอาจจะมีะเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันสงบต่างลักษณะกันไปคำถามจากคุณสุการปฏิบัติแบบเนสัชิกช่วยให้ก้าวหน้าทางธรรมเพราะอะไรครับไม่นอนตลอดทั้งคืนแต่มานอนตอนเช้าแทนและการไม่ทานอาหารหลังเที่ยงวันช่วยให้การปฏิบัติก้าวหน้าได้อย่างไรครับ และผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติทั้งสองข้อจะบรรลุธรรมพระโสดาบันถึงพระอรหันต์ได้หรือไม่ครับคำตอบข้อสุดท้ายก็ได้อาจจะช้าอาจจะยากถ้ามีเนสัตชิกหรือมีการอดอาหารนี่มันเป็นตัวกระตุ้นให้มีการปฏิบัติมากขึ้นเนสัตชิกจริงๆนี่เขาไม่นอนเลยตามเวลาที่เขากำหนดไว้ถ้าหลังจากนั้น เขาก็มานอนแต่เขาก็จะไม่นอนมากเขานอนเพื่อการพักผ่อนของร่างกายเท่านั้นเองอย่าการที่เขาถือเนสัตชิกนี้เขาไม่อยากจะเสียเวลากับการนอนเพราะเวลานอนมันจะนอนมากเกินไปมันสบายมันจะไม่ยอมลุกแต่ถ้านอนแบบแต่ถ้านั่งอย่างนี้พอมันตื่นขึ้นมาปั๊บมันก็ภาวนาต่อได้เลยอยคนที่ถือเนสัตชิกนี้เขา ต้องการเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้ส่วนคนอดอาหารนี่ก็เหมือนกันทีเมื่อกี้ถามเรื่องอดอาหารใช่ไหมข้อที่สองอดอาหารก็เพื่อที่จะกระตุ้นความเพียนเพราะเวลากินมากๆมันจะขี้เกียจมันอิ่มแล้วมันอยากจะนอนถ้ากินน้อยๆแล้ว อ, อ, อดอาหารนี่มันหิวมันก็ต้องภาวนาเพื่อระงับความหิวเพราะความหิวส่วนใหญ่นี่เกิดจากความคิดปุ๊บ ความคิดอยากจะกินอาหารมันทำให้เราหิวพอคิดถึงอาหารมันก็หิวขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดคิดหยุดความคิดถึงอาหารได้มันก็ไม่หิวความหิวของร่างกายมันจะไม่รุนแรงความหิวของร่างกายมันจะเป็นเหมือนกับอิดโรยคล้ายๆว่ามันไม่มีเลี้ยวไม่มีมันตัวท้องเบาร่างกายเบาไปท่านเองว่างท้องว่างไปลักษณะแต่มันไม่ทรมานเหมือนกับความหิวทางใจ เวลาอดอาหารนี้มันจะบังคับให้เราต้องคอยควบคุมความคิดต้องเจริญสติต้องนั่งสมาธิเพื่อหยุดความหิวทางใจพอจิตสงบจิตอิ่มขึ้นมาความหิวหายไปความความหิวของร่างกายก็เลยสู้ความอิ่มของใจไม่ได้ใจเลยไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายไปอันนี้เป็นการบังคับให้จิตต้องภาวนา เมื่อภาวนาบ่อยๆจิตก็จะสงบบ่อยๆแล้วจิตก็ยังมีกำลังที่จะออกไปทางปัญญาต่อไปได้ฉะนั้นวิธีการเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือสนับสนุนถ้าเป็นน้ํามันก็เป็นเหมือนน้ามันชนิดพิเศษ ก, ก็ถึงมีน้ามันแบบเก้าสิบเอดกับเก้าสิบห้าเก้าสิบเอ็ดก็พลังไม่มากถ้าต้องการพลังมากเป็นพิเศษก็ต้องใส่เก้าสิบห้า พวกที่เขาจะขับรถแข่งกันเนี้ยเขต้องการให้รถมันพุ่งอย่างนี้ถ้าน้ำมันเก้าสิบเอ็ดมันมันจะไม่พุ่งเหมือ น, นกับเก้าสิบห้าการปฏิบัติเกี่ยวือนการถ้าต้องการให้มันพุ่งก็ต้องถือต้องถือทุดดงเขาวัดต้องถือการโอดอาหารเลิกไปอยู่ในที่เปี่ยวที่น่ากลัวอันนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องภาวนาถ้าไปอยู่ที่ไหนที่มันน่ากลั ว, ลวแล้วใจมันสั่นเนี่ยมันต้องรีบทําให้ใจมันสงบ มันก็ราบากครับให้เราภาวนาต้องใช้สติถึงจะใจถึงจะสงบหายสันได้ไม่องนั้นก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ในที่น่ากลัวที่เปรียวไม่ได้ถ้าเกิดความกลัวขึ้นมามากๆก็โกยทั้งนั้นคถามจากคุณอิสรีจัดงานที่บ้านและต้องไปรับพระผู้หญิงสามารถขับรถไปรับพระได้หรือไม่เจ้าขาก็ธรรมเนียมนี้ เขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงไปใกล้ชิดกับพระฉะนั้นสมัยก่อนเขาจะใช้ผู้ชายหรืองานอะไรการที่เกี่ยวข้องกับพระนี่เขาจะให้ผู้ชายไปผู้หญิงไม่เกี่ยวทีสมัยนี้มันเป็นสมัยทันสมัยมั้งอย่างนี้ผู้ผู้หญิงกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าอะไรไปหมดบางทีก็อย่างนี้ผู้หญิงก็ขับรถได้อะไรได้ ทีนมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีอะไรนะก็เลยไม่รู้ว่าข้อห้ามมีหรือไม่แต่ถ้าเลยถือหลักแล้วก็ไม่ควรดีกว่าไม่ควรเอาผู้หญิงไปใกล้ชิดกับพระไม่ควรไปล้างบาทให้พระไม่ควรไปซักจีวรให้พระอะไรทํานองนี้เพราะการใกล้ชิดกันมันจะทําให้เกิดไฟแลบขึ้นมาได้เดี๋ยวไฟจะลุกขึ้นมาไม่ใช่อะไรหรอกไปเขาพยาไม่อยู่ห่างๆไม่ขนาด ถวายของยังต้องใช้ผ้าใช้ผ้ารับเลยไม่ให้เอามือรับเพราะมือรับเดี๋ยวมันพลาดไปแตะไปแต ะ, ไปแตะมือเขาได้ไปแตะนิ้วแตะอะไรได้พอแตะแล้วไฟมันจะลุกวาบขึ้นมาเอข า, า, าต้องการที่จะแยกน้ํามันกับไฟไม่ให้เก็บไว้ในที่เดียวกันใช่ไหมเรามีเชื้อเพลิงเราเก็บไว้ที่หนึ่งเรามีที่ที่จะทําให้ไฟลุกขึ้นมาได้แล้วก็แยกมันไว้อีกที่หนึ่งไม่เอาไว้ใกล้กัน เดี๋ยวเกิดไฟลุกขึ้นมาเจอน้ำมันเข้ามันก็เลยไหมใหญ่เลยอันนี้ก็เหมือนกันพาะกสีกาก็แบบเดียวกันเหมือนไฟกับน้ำมันเนี่ยอยู่ใกล้กันไม่ได้เห็นก็มีเนี่ยพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าให้ปฏิบัติกับสีกายอย่างไรพุทธเจ้าบอกถ้าไม่ต้องเจอกันก็อย่าไปเจอกันแล้วพระนองก็ถามว่าถ้าต้องเจอกันจะทไง ก็อย่าพูดอย่ามองหน้ากันอย่ามองหน้ากันถ้าต้องมองหน้ากันก็อย่าไปมองนานถ้าต้องพูดก็ให้พูดคำสองคาก็พอให้เลิกให้เร็วที่สุดให้เสร็จธุระให้เร็วที่สุดอย่านั่งยืดเยื้อคุยกันหาเรื่องนั้นมาคุยหาเรื่องนี้มาคุยอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของการที่จะทําให้เกิดไฟลุกขึ้นมาแล้วคำถามจากคุณอุ๋ย กราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเป็นพระอริยะแล้วอาจจะดูทีวหีหรืออยู่ในเมืองได้แต่ถ้าไม่ใช่พระอริยะควรปลีกวิเวกใช่ไหมคะพระอริยะท่านก็ไม่อยู่ในเมืองท่านไปก็เพราะเหตุจําเป็นต้องไปจริงๆนั้นมีธุระกิจมีธุระปับปังหรือมีกิจนิมนต์ที่เลกเี่ยงไม่ได้ แต่ท่านไม่อยู่หรอกท่านไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวส่วนใหญ่ท่านอยู่ในป่ากันอยู่วัดปา่าว้ดเขาคำถามจากคุณนราทิพย์กราบนรัสการเรียนถามครับนั่งสมาธิแล้วจิตสงบจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวทั้งที่จริงแล้วเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเมื่อออกมาดูนาฬิกาไม่ทราบว่า เวลาต่างกันจริงหรือแค่รู้สึกไปเองครับควรพิจารณาอย่างไรครับเอก็ ông, ตามเวลาเนยนาฬิกามันไม่โกหกเราหรอก <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกของเรามันโกหกเรามันหลอกเราเหมือนเวลาเรานอนหลับเนี่ยเหมือนแป๊บเดียวเนี่ยคิดว่างีบสักสิบนาทีาที่ไหนได้ห้าชั่วโมงผ่านไปนะลืมตาขึ้นมาอีกทียังเวลาหลับหรือว่นานั่งสมาธิจะคล้ายกันจะไม่รู้เรื่องของเวลา ก็เลยคิดว่าเวลามันมันปป๊บเดียวคำถามจากคุณพิทักษ์กราบนมัสการครับพระอาจารย์ในขณะนั่งสมาธิจนจิตรับรู้ได้ว่าในขณะนั้นไม่มีเรื่องราวหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเลยรับรู้ได้แต่ความว่างเปล่าในขณะนั้นเวลามีความคิดเกิดขึ้นมา ก็สามารถรู้ทันและไม่สนใจกับเรื่องนั้นได้สามารถที่จะละวางเพื่อที่จะให้อยู่กับความสงบของจิตในขณะนั้นต่อไปได้อยากสอบถามพระอาจารย์ครับว่าเราควรรักษาความสงบนี้ให้คงอยู่ต่อไปในการปฏิบัติใช่ไหมครับใช่ให้มันนานที่สุดให้มันเป็นไปยั่งไปตลอดได้ให้มันคิดเท่าที่จำเป็นนนถ้าไม่จาเป็นก็ให้มันเข้าเกี่ยวว่างเหมือนรถเนี่ย แต่พวกเราหาเกีียวว่างกันไม่เจอมีแต่เดินหน้าถอยหลังไม่คิดเอาก็คิดคิดคิดหนีถ้าไม่เอาก็หนีมันไม่มีคิดจะเฉยเฉยมันไม่มีนี่เรามาหัดอยู่เฉยเฉยคิดเฉยไม่คิดอะไรให้รู้เฉยเฉยเห็นอะไรก็เฉยเฉยเห็นกระ เ, เป๋าก็เฉยเฉยเห็นรองเท้าก็เฉยเฉยแต่นี้มันไม่อย่างนั้นเห็นอะไรปั๊บอยากแล้วไม่อยากได้ก็อยากหนี เจอของไม่ดีก็อยากจะหนีเจอของดีก็อยากจะได้ใจเราก็เลยเข้า <c oughs> ๆออกวออุ่นวายไปกับการการการเอาการการหนีถ้าเราฝึกจิตให้เฉยๆได้ต่อไปมันก็ไม่ต้องวุ่นวายกับอะไรเห <c oughs> ็นอะไรก็เฉยๆไปก็อยากจะได้อะไรก็ปล่อยออก็เอาไปไม่ต้องไปแกงแย่ ง, งชิงดีกับเขา <c oughs> เราอยู่เฉยๆได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจว่างแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มันมาสัมผัสรับรู้ คำถามจากคุณจริงใจกราบเรียนถามค่ะเคยนั่งสมาธิ <c oughs> นั่งไปไม่นาน <c oughs> เหมือนจิตวูบ <c oughs> เหมือนจะหลุดแล้วตกใจลืมตาขึ้นมาสาเหตุเพราะอะไรคะไม่กล้านั่งอีกอ๋อไม่มีอะไรสติมันหมดมันจะหลับเนี่ยมันจะเหมือนสับประงกเนี่ยมันก็วูบลงไป คำถามจากคุณนิ้งกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> คือแม่ของดิฉันเมื่อเดือนที่แล้วล้มแขนข้อมือหักปกติแม่ก็เป็นคนดีแต่ตอนนี้ยิ่งทุกข์คิดมากกับเรื่องของลูกๆโดยเฉพาะน้องสาวที่อยู่ด้วยเรื่องหนี้สินทั้งๆ ท, ที่ก็เป็นเรื่องของลูก และแม่ได้ให้เงินของตัวเองที่มีมาช่วยน้องๆหมดเลยก็ยังไม่พอดิฉันบอกให้ปล่อยวางก็ทำไม่ได้ได้แต่สงสารแม่ตอนนี้เรื่องเจ็บป่วยเลยแยกกันไม่ออกระหว่างกายกับใจบอกบ่อยๆดิฉันก็กลัวบาปจะให้ทำยังไงคะ ก็บอกแล้วก็หมดหน้าที่เราเขาจะทําตามที่เราบอกหรือไม่เขาไม่ทําตามก็ช่วยไม่ได้เหมือนหมอให้ยาแล้วคนไข้อยู่ที่คนไข้หมอไม่ไปตามดูว่าคนไข้กินยาหรือเปล่าหมอไม่ไปบังคับให้ยาไปแล้วถ้าคนไข้กินก็ก็เป็นประโยชน์กับคนไข้เองถ้าคนไข้ไม่กินมันก็เป็นโทษกับคนไข้เท่านั้นเองเราบอกเขาแล้ว เมื่อเขาจะไม่เขาไม่ทำตามก็ช่วยไม่ได้แล้วะเราทำหน้าที่ของเราแล้วคำถามจากคุณทวิชาการเจริญปัญญาควรจะเจริญในสมาธิหรือนอกสมาธิต้องนอกสมาธิในสมาธิสมาธิเหมือนตอนนอนหลับเนี่ยเวลาทำงานเราทำงานตอนนอนหลับเริ่มทาตอนที่เราตื่นปัญญาก็เหมือนการทำงานของจิต ก็ทางธามธรรมตอนที่จิตออกจากสมาธิแล้วตอนอยู่ในสมาธิเหมือนจิตพักผ่อนจิตไม่ทํางานถ้าต้องการให้จิตทํางานกต้องรอให้จิตออกจากสมาธิก่อนแต่ส่วนใหญ่จิตของเราจะทํางานไปทางกิเลสคิดไปทางกิเลสเราถึงต้องมาบังคับให้มันคิดในทางปัญญาให้มันเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ให้สอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มัน ฉลาดเพื่อมันจะได้ไม่ไปหยากได้อะไรเพราะสิ่งที่ได้มามันจะต้องทำให้มันทุกข์นั่นเองคำถามจากคุณเคสพระผู้ใหญ่พรมน้ำมนให้ญาติโยมเอาไม้กวาดจุ่มน้ำมนต์เคาะหัวผู้ชายคำถามคือท่านสามารถเคาะให้ผู้หญิงได้ไหมคะไม่ได้สัมผัสโดยตรงแต่ผ่านไม้เคาะผิดพระวินัยไหมคะ ก็ทำกันบ้างบางองค์ก็ทำบางองค์ก็ไม่ทำแล้วแต่ว่าจะตีความว่าควรหรือไม่ควรอันนี้เราก็ไม่รู mm hmm. ้เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่บางทีมันมันอาจจะถูกเหตุการณ์บังคับให้ทำก็ทำไปเมื่อทำแล้วให้เขามีความสุขก็ทำไปถ้าทาแล้วไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าก็ก็แล้วไป ทำแล้วทุกคนแฮ ppy ก็ทําไปคำถามครับเวลาอยู่ที่วัดร่วมกันหมู่คนเยอะๆแล้วมีคนที่เกลียดเราอาจเพราะมีกรรมร่วมกันมาก่อนเขาจะทํากิริยาวาจาต่างๆคอยกลั่นแกล้งเราพยายามพุทธโทแล้วพุทธโทรทโมสังโฆแต่ก็เอาไม่อยู่ จิตตกมันเศร้ามันคอยจะดึงสติออกไปกับปัจจุบันที่เขากำลังกลั่นแกล้งด้วยกริยาบ้างวาจาบ้างน้ำตามันคอยจะไหลค่ะคำถามคือเวลาภาวนาก็มีสมาธิผ่านเวทนาได้แต่เวทนาใจไม่เคยผ่านได้ค่ะจะต้องสู้อย่างไรก็รต้องพยายามฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นพุทโธพุทโธให้มันมากขึ้น เวลาไปเจอเหตุการณ์แล้วก็ใช้พุโทโธพุธโทโธอยู่กับพุโทโธอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยเวลาอยู่ในเหตุการณ์เวลาไม่มีเหตุการณ์นี้ ม, นมันพอที่จะทําจิตให้สงบได้แต่พอมีเหตุการณ์แล้วสู้เหตุการณ์ไม่ไหวแสดงว่ากําลังสติยังไม่พอก็ต้องหมั่นพยายามฝึกสติให้บ่อยๆให้มากขึ้น คำถามครับไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านสามีดูแลแต่อยู่บ้านก็ไม่มีข้อวัดไม่ค่อยสงบไปวัดก็เจอปัญหาคนมีกิเลสอัดตามากจะหนีทุกไปหาสำนักอื่นก็ไม่มั่นใจเพราะทุกที่ย่อมมีปัญหาเช่นนี้ครูอาจารย์องค์อื่นก็ต้องปรับตัวเรียนรู้กับท่านใหม่คำถามคือ ควรสู้ยานีทุกหรืออย่างไรเจ้าคะก็นั่นแหละก็ต้องทำใจทุกมันอยู่มันก็กิเลสของเรานั่นละที่ทำให้เราทุกไปเห็นกิเลสของคนอื่นกิเลสของเราก็เกิดขึ้นมาไม่พอใจกับกิเลสของคนอื่นเราก็อยากไปไม่พอใจกับกิเลสของคนอื่นเลยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเหมือนเราเดินไปไหนมาไหนอาจจะมีน้ามี กิ่งไม้มีอะไรขวางทางเราก็หลบมันไปสิเราก็หลบได้ก็หลบไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราไปอยู่ในเหตุการ์เจอบุคคลบุคคลก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ขวางทางเราเนี่ยถ้ามันขวางทางเราก็เราก็หลบไปหลบซ้ายหลบขวาไปหรือทำใจเฉยๆไปใจเราไม่ยอมเฉยพอเจอกิเลสของเขากิเลสของเราก็ขึ้นมา ความรักความชังของเราก็ขึ้นมาต่อไปเราก็ต้องมาแก้ที่ความรักความชังของเราไม่อย่าไปแก้ที่เขาอย่าไปอยากให้ในวัดนี้ไม่มีคนมีกิเลสให้มีแต่พาาาระอรหันต์อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติแม้แต่เจอพระอรหันต์อย่างเดียวก็อาจจะไม่พอใจก็ได้เดี๋ยวพระอรหันต์ทดสอบใจหน่อยดา่าลราหน่อยก็ไปว่าท่านมีกิเลสแล้ว ฉันเราต้องมาควบคุมใจเราอย่าไปควบคุมคนอื่นปล่อยให้คนอื่นเ็าเป็นไปตามเรื่องของเขาเราต้องมาหยุดใจเราดูสอนใจให้เราให้หัดอยู่กับมันเหมือนกับเราหัดอยู่กับฝนตกแดดออกถ้ามันเราอยู่กับมันได้เพราะเราหัดใช่ไหมเรายอมรับฝนเรายอมรับแดดแดดออกก็ปล่อยมันออกไปฝนตกก็ปล่อยมันตกไป คนมีเกเรก็ปล่อยเขามีไปคนไม่มีเกเรก็ปล่อยให้เขาไม่มีไปก็จบเนี่ยนี่เราไม่ยอมจบเราต้องการที่จะไปจัดการกับเขาไม่อยากจะเจอเขาอย่างี้ไม่อยากจะเห็นเขาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราต้องควบคุมใจเราเมื่อเราต้องเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปอย่าไปปรุงแต่งว่าเขามีเกเรหรือไม่มีเกเรมันก็ไม่มีปัญหาอะไร คำถามจากคุณเดียวผมศรัทธาปฏิปทาของพระบนเขามากไม่มีความเจริญทางวัตถุเข้าไปเป็นเครื่องหลอกล่อกิเลสผมอธิฐานไว้ว่าผมจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะช่วยทานุบำรุงและรักษาสถานที่แบบนี้ไว้แต่ปัญหาของผมคือมีสถานที่ปฏิบัติธรรมในถิ่นธุรกันดานจะใช้โซล่าเซล แล้วบอกบุญมาผมควรจะทำยังไงดีครับอย่าไปทำเลยอยู่แต่พราะพุทธเจ้าไม่มีโซลาเซลล์ก็อยู่ได้วัดป่าบ้านตาสมัยก่อนก็ไม่มีโซลาเซลล์ก็อยู่ได้ไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้ไฟฟ้าหรอกมีแล้วยิ่งเป็นพิษเป็นภัยอันตรายต่อจิตใจมีมือถือเดียวมันก็อดที่จะกดไม่ได้อดที่จะดูไม่ได้ยันอย่าไปมีเลยโซลา ร, รโซลาเซลล์ บนเขานี่ก็มีคนจะถวายโซลาร์เซล์ไม่เอาแล้วให้อยู่แบบธรรมชาติอย่างเนี้ยเพราะเราไม่ต้องเวลาภาวนาไม่ต้องใช้โซลาแ์เซล์หรอกมีแล้วก็เป็นภาระแล้วก็เป็นปัญหาขึ้นมาได้ยังอย่าไปมีมันอย่าไปดิ้นหลอนหาอะไรที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หาพราะพุทธเจ้าสอนให้หาธรรมหาสติหาสมาธิหาปัญญากัน อย่าไปหาโซล่าเซล์อย่าไปหาอะไรต่างๆมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติหรอกเอาข้อสุดท้ายเนอะหมดแล้วยังอีกงข้อหนึ่งครับคำถามจากคุณวีระพง์ท่านพระอาจารย์ครับถ้าต้องอาบัตสังฆติเศตจะบาปไหมครับและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเป็นพระก็ต้องไปแสดงตนว่าทำผิดแล้วก็ไปรับ ไปเข้ากรรมไปอยู่กรรมไปชดใช้กรรมตามที่พระวินัยบัญญัติไว้พอรู้ทําผิดก็ต้องไปบอกครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ศึกษากับท่านว่าผมได้เป็นเด็กไม่ดีแล้วผมไปทําผิดครูบาอาจารย์ก็ต้องลงโทษไปตามกดตามระเบียบเท่า น, นั้นเองเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป